ที่คำนักอยู่วัดบุรพารามเราเคยถูกใส่ร้ายเรื่องผู้หญิงเพราะมีพระมหารูปหนึ่งทเที่ยวไปกล่าวร้ายเราจนพวกญาติโยมทั้งหลายเขาเชื่อกันหมดเราก็พูดได้เพียงคําเดียวว่าการเวลามันจะเป็นเครื่องตัดสินเองว่าใครเป็นผู้ผิดกันแน่แล้วในที่สุดความจริงก็ประจักฏว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันหลังจากนั้นในพรรษาที่ 13- บสถึงยี พุทธศักราช 2,497 ถึง 2,510 ในยย้ายประจำพรรษาที่วัดแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปเช่นท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลพระอาจารย์ปั้นอาจาโรพระอาจารย์เทศเทศลังสีเป็นต้น ดังนั้นเสนาส น, นะถาวราวัตถุมากหลายภายในวัดแห่งนี้จึงเป็นรอยจารึกที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำมาทั้งนั้นเราอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญสห้าปีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูพุท ธ, ธิสารสุนทรเป็นเจ้าคณะอเาเภอวารินชำราบชาวจังหวัดอุบล น, นิยมมาทำบุญปฏิบัติธรรมและปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดแห่งนี้ ครูบาอาจารย์ที่สำคัญนิมนต์ท่านมาแสดงทำในงานเช่นท่านพระารอาจารย์ปั้นอาจารโรหลวงปูดีฉันโนพระอาจารย์ผ่านปาเรสโกพระอาจารย์หรุยจันดสาโรพระอาจารย์ชอบฐานาสโมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปูบุญมีโจติบาโลหลวงปูผ่ผางกิตากุตโตพระอาจารย์ชาสุพทัทโโพระอาจารย์ล่าเฉมากปัตโตเป็นต้น ในขณะที่เราอยู่จำพรรษาที่วัดแสนสํำรานนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากหลายเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีและถูกทากุญสหวังจะเอาให้ตายหลายครั้งมาอยู่ทีแรกกุฏิจะพังแหล่มิพังแหล่เสื่อนอนหมอนนุนหัวก็ไม่มีฉันข้าวกับน้ำเปล่าเปล่าเทระคนกันลงในบ้านพวกพระที่อยู่เก่าเห็นเรามาเป็นเจ้าอาวาสอิจฉากลันแกล้งบางทีเราเดินอยู่ในวัดก็ตะโกนส่อเสียด ว, ว่า เาพระอย่างนี้หรือมาเป็นสมทานพระหลวงตารูปนั้นจะอยากจะเป็นสมทานแต่ไม่ได้เป็นจิงผูกใจเจ็บวันหนึ่งเราได้มีโอกาสแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมจบรงญาติโยมทั้งหลายเขาก็โจทย์ขานกันใหญ่ว่าพระองค์นี้เทศสอนแล้วจิตเราเป็นสมาธิได้ไหนเล่าที่เขาลือกันว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์พระกรรมฐาน แต่ดูกิริยามารยาทแล้วเหมือนกับหลวงปูเ่เสาการเดินก็ไม่ลุหลิกพูดจาก็ไพเราะไม่กระโชกกระชากพระพวกที่ชอบประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานนี่ไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนอย่างท่านเลยมีหนำซ้ำยังใส่ร้ายท่านและมักตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านและยังมีเรื่องน่าเป็นคติอีกเรื่องหนึ่งคือเราได้เด็กอายุห้าขวบเป็นอาจาร ย, าย์ใหญ่ วันหนึ่งเด็กน้อยมันเดินตามหลังแม่มันมาใส่บาทพอเห็นเราเข้าก็มองหน้าเลิกลักชีหน้าเลางพูดว่ามึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระดอกที่แรกห ม, มุนหงิดจะโกรธมันพอรู้สึกว่าจะโกรธจึงนึกขึ้นใดว่าอ๋อถูกข้องมันนี่เราไม่ใช่พระถ้าเป็นพระจาโกรธสิเราจึงถือเอาเด็กน้อยนี้เป็นอาจารย์ใหญ่วันนั้น ถ้าว่าเป็นวันสวยก็สวยชิบหายถ้าว่าเป็นโชคก็โชคดีไปหลังจากไอเด็กน้อยชี้หน้าด่าก็เดินเที่ยวบิทบาศมาถึงปลายทางจะเข้าวัดในระหว่างนั้นมีผู้หญิงแขกคนหนึ่งเธอขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเสียหลักจะชนกับรถยนต์เธอจึงหักหลบฉลบขึ้นไปบนเนินดินซึ่งเรากําลังเดินอยู่ผู้หญิงนั้นกลัวจะตกรถคอหักตัดสินใจกระโดดมากอดคอเราแน่นเลย เมื่อมีผู้หญิงกอดคอฉี่หลังอยู่อย่างนั้นเราผู้เป็นพระไม่รู้จะทำประการใดจึงยืนหลับตากำหนดจิตพิจารณาได้ความว่าความโกรธกับความรักมันมีโทษเท่ากันสักพักหนึ่งเธอตั้งสติได้จึงปล่อยมือที่กอดหลนตุ๊บเสียงร้องอ้ยเราเดิมเฉยเหมือนไม่มีอะไรขนาดเรามีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต แต่พอถึงเวลามันอยากสืบ ข, ขึ้นมาถึงกำนอนร้องไห้เอา้าอะไรที่เราอยากเราจะไม่เอาจะเอาที่มันไม่ชอบที่สุดนั่นแหละโยงอุปถาของเราคนหนึ่งชื่อหมอไมเคลิลและด็อเตอร์ประยุบุญนาคอารัธนาให้เราสืบไปเป็นลูกหมอไมเคลิลจะยกร้านขายยาให้ส่วนท่านรัฐมนตรีจะรับเข้าทำงานเป็นข้าราชการในกระทรวงเราไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักเรา เกิดมาในชีวิตนี้ยึดหลักธรรมที่จะไม่ให้ใจฝักฝ่ในทางโลกเพราะว่าเราเห็นทุกตั้งแต่รู้เดียงสามาจึงตอบปฏิเสธเข้าไปว่าคุณโยมเอ้ยอย่ามาเป็นห่วงอาตมาเลยอาตมานี้เป็นอะไรชั่วชีวิตหนึ่งขอเป็นเพียงครั้งเดียวจะไม่ยอมเป็นซ้ำถึงครั้งที่สองอีกผู้หญิงบางคนหลอกศึกพระโดยพูดว่าศึกธนา ทุนร้อนเราก็มีถ้าไม่เชื่อจะโอนเงินให้ก่อนถ้ากิเลสตัวนี้ไม่มีอำนาจเหนือจิตเหนือใจแล้วพระคงบวชไม่สึกกันสักองค์ถ้าไม่จริงๆก็โดนหลอกสึกกันหมดมันสำคัญอยู่ที่ความจริงใจว่าเราจะหนีมันหรือไม่หนีเท่านั้นเราได้ดีเพราะความเจ็บป่วยกับคนขรหานินทาว่าร้ายโบราณจึงพูดเป็นคาพังเพยไว้ว่าอุปสรก์คือการต่อสู้ศัตรู คือยาชูกำลังในพรรษาที่ 27-28 ถึงพุทธศักราช2511ถึง2 5 1พร้อเราได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหลวงสุมังคาร า, ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเพราะได้รับอาราธนานิมนต์จากพระเถรรัผู้ใหญ่ให้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระจินวงสาจารย์ เราเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดอยู่หนึ่งปีกับอีกแเดือนถึงได้ลาออกไปเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนผู้งมันด่าตามหลังว่าสมนำหน้ามันเขาไล่มันออกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วให้หลังต่อมาเห็นเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระภาวนาพิสารเถนมาเห็นผลงานที่วัดป่าสารวันว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพียงไรนี่แหละโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าไม้ล้มจะข้ามได้ดังไม้คนล้มจะข้ามปลายหอนได้วัดป่าสารวันแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่สําคัญยิ่งของพระกรรมฐานเป็นสถานที่ตั้งบุตรบพบัญจุพระบร ม, มาสารีริกธาตุ และอติธาต์ของพระบูรพาจารย์คือท่านพระอาจารย์เสากันตศิโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัโตและพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นประดุลมหาวิทยลาลัยสงฆ์ชั้นเอกสำหรับผลิตพระฝ่ายอรั ญ, ญวาสีคำว่าบูรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าพระบูรพาจารย์ อันดับของพระบุรพาจารย์ในภาคอีสานอันดับแรกคือท่านอริยกวีอ่อนท่านได้อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังทรงอุปสมบทอยู่แล้วนําเอาพระธรรมวินัยนั้นไปประดิษฐานณวัดีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสิ้นบุญบา ร, รมีของท่านอริยกวีอ่อน ก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุละซึ่งเป็นสะธรรมิกของท่านจากนั้นก็มาถึงยุคพระอุบาลีคุณูประมาจารย์จันสิริจันโดท่านบริหารจิตการพระศาสนาทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสสนาทุระพระอุบาลีคุณูประมาจารย์มีสิทธิสำคัญยิ่งสองรูปคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเป็นผู้ชำนาญในฝ่ายคันธทุระ หลวงปู่สากันตาสีโลเป็นผู้ชำนาญในฝ่ายวิปัสนาธุระและหลวงปูเ่เสานี่เองได้ลูกศิษย์องค์สําคัญยิ่งเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญญวาสีคือท่านพระอาจารย์มั่นหูริทัตโตพระอุบาลีคุณูปรมาจาร์ท่านเป็นพระเถระที่ครบเครื่องในสำนวนโมหานท่านเป็นผู้ชํานิชํานาญ เป็นนักกวีนักแต่งกลอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังซาบซึ้งถึงใจเรายังจำไม่ลืมเลือนบทกลอนนั้นเป็นภาษาอีสานว่ากรรมาฐานโจกแจว้วแถวถ้ำบัเตืองตอกรรมาฐานพาวอมัชีให้มูเหมน็นเขากลื้อมันแล้วกรรมาฐานมูเทือนได้อาหารอิ่มท้องนอนมุงนางถ้ำอัศจรรย์ป้าไหลรส ล, ลา น า, านาอนาดหนีนายว่างตมผู้เป็นสมสืบว่องบมัวคาแปลพระกรรมฐานหลอกลวงโลกไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหายคนเขาร่ำลือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอมฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมูไม่สนใจในวัตถปฏิบัติปลาไหลปลาหลดปลาลาดน า, านาอนาถ้ามันเบือ่อนายในโคลนตม ผู้เป็นสมณะก็เช่นกันถ้าเบื่อหนายในพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายาศาสนาไม่สามารถสืบต่ออริยวงได้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ชำนิชํนานาญในสำนวนปฏิพานโวหารเป็นพระอริยบุคคลหาได้ยากท่านสอนเป็นบทกลอนไว้ว่าแจ้บอ่อตกข้าพภกเจ้าไว้แจกบอ่อใดข้าพภกข่ายาม ไม่ซกมกไม่หกพันงากระป๋อมกาแลนขืนมือละหอยกระป๋อมน้อยแลนขืนมือละพันคำแปลถ้าเราแจ้ใจของเราไม่ได้เราก็จะแบกปัญหาติดตัวไปเรื่อยก็ร่างกายของเรานี้มีอารมณ์ต่างๆวิ่งข้อออกอยู่เสมอๆจิตใจเราจึงดิ้นรนกวัดแกว่งหาที่ยุติไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่จริงก้านสาขารากใบเราไม่สามารถนับได้หมด เว้นแต่ท่านผู้มีมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นแต่ก็หาโอกาสไม่ได้จึงได้แต่เพียงทําไม้ยิ้มฟันปากไปถวายท่านหลวงปู่มั่นท่านพูดว่ามหาพุทธเขาอยู่ตั้งไกลเขายัางนึกถึงเราพวกเราอยู่ใกล้แค่นี้อะไรมาปิดบังอีกครั้งหนึ่งคิดจะหลอพระที่วัดบุรพาราม จึงส่งข่าวให้หลวงปู่มั่นทราบท่านจึงประกาศว่ามหาพุทธเขาจะหล่อพระไว้กราบไหว้ใครมีอะไรก็หามาช่วยเขาหลวงปู่มั่นได้ส่งเงินมาช่วยถึงห0 0รอบาทสมัยนั้นหล่อพระองค์หนึ่งใช้เงินเพียงสองพบาทแต่ตอนนี้พระที่หล่อนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วเรานี้มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องร่างกายพอวันรคหาย ก็มาเป็นโรคกับเพาะลำไส้ไม่เป็นโรคอะไรในอายุห้าสิบถึงห5้าปีหลังห5้าปีมาเป็นโรคเบาหวานก็ได้แต่โปรงอนิจจังยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกรรมชีวิตทุกชีวิตมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าโรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายกลัวทุก ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าถือทั้งหลายจัดทำหรือกระทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะหาะหนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลยธ ญ, ญชาตทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ธาตุกรรมกรคนงานคนอาศัยล้วนพาเอาไปไม่ได้ทั้งสิน้น จะต้องถูกละทิ้งไว้หมดแต่บุคคลใดทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของของเขาและเขาจะพาเอากำรรนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่มติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในภายหน้าความดีทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้เป็นต้นพันษาที่47ถึง48พุทธศักราช2531ถึง2532กำพันษาที่วัดวาผูกแจ้วตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่ง น, นี้มีสภาพเป็นป่าเขาโขดหิน สัปายะมจาการปฏิบัติกิตตภาวนาหลีกเร่นจากสังคมเมืองที่วุ่นวายท่านจึงพัฒนาวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งธรรมมีภิกษุสามนเณรพ่อค้าประชาชนราชการนักเรียนนักศึกษาตำรวจทหารมาอบรมธรรมะพัฒนาจิตให้เกิดคุณธรรมเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความเข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง นำประโยชน์ของสมาธิไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ถึง2545มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 90,000 คนวัดวะผู่เจ้าจึงจัดเป็นแหล่งพัฒนาจิตที่ถาวรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยบุญญาบา ร, รมีของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลังจากนั้น ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าชินรังสีตำบลคลองนาอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาท่านได้พัฒนาวัดนี้จนเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งธรรมของชาวเมืองหลวงที่สามารถเดินทางมาฟังธรรมะจากท่านได้ไม่ไกลนักเพราะท่านเน้นการสอนคนให้เจริญด้วยคุณธรรมเพราะท่านถือว่าการสร้างวัดนั้นสร้างง่ายส่วนการสร้างคนนั้นสร้างยาก ในขณะที่จำพรรษาที่วัดแห่ง น, นี้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานท่านได้ให้ธรรมะเกี่ยวกับพระมียศถาบรรดาศักดิ์ไว้ว่าการแต่งตั้งให้พระมียศมีศักดิ์เป็นสิ่งที่น่าปลาปลื้มยินดีแต่ไม่ควรตื่นโบราณท่านจึงว่ายศช้างขุณ น, นางพระใครจะแต่งตั้งใครให้เป็นอะไร ในความรู้สึกก็คือพระสงฆ์องค์เก่านั่นแหละหลังจากนั้นท่านย้อนกลับมาจําพรรษาที่วัดป่าสารละวันซึ่งเป็นเสมือนวัดแม่อีกครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่ท่านรักและผูกพันมากนับเป็นเวลากว่ายี่สปีที่ท่านจําพรรษาณวัดแห่งนี้หลวงปู่ฟัน่นได้สั่งท่านไว้ว่าอย่าทิ้งวัดป่าสารละวันหลวงปู่เทศ สั่งท่านไว้ว่าให้เลิกสร้างรูปเหรียญเด็ดขาดท่านพยายามรักษาปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาด้วยความอดทนนำพาชาวพุทธศึกษาและประพฤติปฏิบัติกิตภาวนามาโดยตลอดโดยเฉพาะพระภิกษุสามนเณรท่านจะสอนให้เอาพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ให้เคารพพระธรรมวินยัย ประนึพระบรมศ า, าสดาประทับอยู่ต่อหน้าดังโอวาทธรรมที่ท่านพร่ำสอนสิทธิ์ว่าเมื่อเธอทั้งหลายยังละเมิดสิขาบทวินยัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามอยู่ก็เท่ากับพวกเธอไม่เคารพพระพุทธองค์แล้วพวกเธอทั้งหลายจะมาเคารพเราคือหลวงพ่อพุทธผู้เป็นเพียงพระปรปชาอาจารย์ได้อย่างไรและว่า จงยาพากันเป็นพระกรรมฐานไข่เน่าแม้จะเที่ยวเตรเไปประกาศตนว่าเป็นพระพุดงกรรมฐานก็เป็นแค่หลอกลวงชาวโลกให้หลงเชื่อเท่านั้นหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตตภาวนาแม้แต่วันตายท่านยังเขียนใส่กระดาษเก็บไว้ในตู้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึงการละสังขารว่า78ปี เตรียมตัวได้ชีวิตจะต้องสิ้นสุดต่อมาแพทย์ได้วินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอในขณะที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาอาการ32เพื่อใช้พลังจิตรักษาตนเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ก่อนมรณภาพท่านได้พูดว่าเราพิจารณาดูแล้ว ปอดของเรามันพรุนไปหมดใช้การไม่ได้แล้วจนในที่สุดท่านถึงแจมมรณภาพด้วยอาการอันสงบในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542รวมอายุ78ปี3เดือน7วัน5 7พ0 0ษาดังที่ท่านพยากรณไว้ในวันที่31พฤษภาคม พุทธศักราช 2,543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร ม, มราชินีนาถเสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานเพลินศพหลวงพ่อพุทธณเมรุชั่วคลาววัดป่าสารวันในงานนี้คลาคล่ำไปด้วยสาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัฒนอัมไพพันธ์และประชาชน ผู้มีความรักอาไราในหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธานิโยจึงนับได้ว่าเป็นพระสาวกอีกรูปหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตแบบพระผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมทาตนในธรรมสภาท่านจึงเป็นที่รักในวงพระกรรมฐานอย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุกินโนเมื่อหลวงพ่อพุธเข้าไปกราบท่านมักจะสอนถามว่า ท่านเจ้าคุณอย่าไปกำหนดอะไรทั้งสิ้นกำหนดสติอย่างเดียวสติมันเกิดที่จิตสมาธิมันเกิดที่จิตความชั่วความดีมันเกิดที่จิตอย่าไปเที่ยวดูที่อื่นดูที่จิตอย่างเดียวคราวหนึ่งท่านไปเทศที่วัดอโศการามพระมหาเถรคือหลวงปู่อ่อนยานสิรินั่งฟังเทศอยู่ถึงกับเอ่ยปากกล่าวชมว่าเจ้าคุณพุทนี่ เขาเทศอันดับของสมาธิได้ละเอียดละออดีท่านพระอาจารย์ปั้นอาจาร์โรก็เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่เมตตาหลวงพ่อเป็นที่สุดก่อนที่หลวงปู่ฟั่นจะมรณภาพเพียงสามวันอาการหนักหมอสั่งห้ามลุกเด็ดขาดเมื่อท่านทราบว่าหลวงพ่อพูดมาท่านสั่งพระให้จับลุกขึ้นนั่งทันทีทั้งที่มือไม้สันเทาชี้นิ้วพางสอนธรรมะด้วยความเมตตาว่า นี่อะไรกันครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีเสียด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันให้มากขึ้นเพราะหมดรุ่นพวกเธอแล้วพระพุ ด, ดงกรรมฐานมันจะไม่มีเหลือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ตรัดสรเสริญคุณธรรมของท่านไว้ว่า ท่านเจ้าคุณพุทธเป็นพระเถระผู้เป็นบันดิตตั้งตนในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มัวมองความไม่มัวมองในศีลในธรรมในวินัยนี่แหละเป็นคุณลักษณะวิเศษที่แท้จริงของพระผู้มีชีวิตประเสริฐหลวงพ่อพุทธท่านมักจะสอนสิทธิ์ด้วยการยกครูบาอาจารย์องค์น้นบ้างองค์นี้บ้างที่ท่านเคารพเ่อมสมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ในทางดําเนินชีวิตท่านสอนสิทธิ์ให้เอาอย่างหลวงตามาหาบัวตอนหนึ่งว่าดูอย่างหลวงตาบัวสิยิ่งจนไม่มีอะไรสักสตางท่านมาเทศที่วัดบ่าสาลวันมีอาจารย์รูปหนึ่งมารถคันเดียวกันกับท่านเขาถวายผ้าห่มแจยหอบไปด้วยหลวงตาบัวเล่นงานใหญ่ว่าพระนี่ทําขายหน้าขายตาไม่ให้เดินตามหลังอีกแล้ว ของมันเกิดที่ตรงไหนก็เทงมันไว้ที่ตรงนั้นสิจะเอาไปทำไหมอดอยากอะไรกันนักกันหนาของมันจะวิเศษวิโสเพียงแค่ไหนก็ไม่ต้องเอามันไปด้วยเมื่อหลวงพ่อพุทธมรณภาพลงหลวงตามหาบัวได้มารดนั้นศพและมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตาได้เทศนาธรรมชมเชยคุณธรรมของท่านไว้มากมายว่าท่านเจ้าคุณพุทธ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็ได้มาสิ้นสุดยุติเรื่องทาดเรื่องขันซึ่งเหมือนกับโลกทั่วไปเพราะถึงวาระแล้วต้องเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าปรินิพานก็หมายถึงตายแต่คำว่านิพานหมายถึงดับกองทุกทั้งมวลจะไม่มีปรากฏในนิพานนี้อีกต่อไปเลยดังนี้เป็นต้น หลวงพ่อพุทธานิโยท่านจึงเป็นพระผู้มีปฏิปทาอันแกล้กลามีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งแต่วันอุปสมบทจนในที่สุดในบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของนักบวชคืออุดมธรรมสามารถหกรรมแห่งสังสารวัชล่มได้มีเจติคุณกำจรกำรมใจทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประดุดน้ำที่เต็มแจ้ว จะเทใส่เข้าไปเท่าใดมีแต่จะเอ่ร้นออกมาเท่านั้นส่วนที่เอ่ร้นออกมานั้นท่านก็จะนำออกไปเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามส่วนแห่งเมตตาที่เต็มเปี่ยมชีวิตและปฏิปทาของหลวงพ่อพุธเป็นเหมือนคำภีชีวิตให้ชาวพุทธได้ศึกษาสืบไปซึ่งจะเป็นเครื่องทเทียบเทียงได้ว่าหลักธรรมหลักปฏิบัติ มิได้เปลี่ยนแปลงไปไหนพระธรรมยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่สม่ำเสมอทั้งในอดีตและปัจจุบันธรรมคงทรงธรรมไม่จำกัดการผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤตตามธรรมอยู่ธรรมนั้นย่อมอํานวยผลอันพึงใจให้เสมอตามกาลังความสามารถที่บากบันมุ่งมั่นเท่าเทียมกัน ทั้งในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และในสมัยปัจจุบันนี้ที่พระองค์ปรินิพานไปนานแล้วสังขารขันของหลวงพ่อพุธถูกเผามอดไหม้เป็นจุนวิจุนไปแล้วร่างกายของท่านก็เหมือนของทนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกดับไปในที่สุดแต่ความดีและเจติคุณยังคงดำรงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจทราบได้ ความดีนี้เองเป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตบัดนี้ไฟได้เชื้อคือสรีระและไม้หอมหมอดลงเหลือเพียงเท่าฐานและอัติทานแล้วคำพร่ำสอนของท่านที่ว่าเมื่อเรามาก็ไม่มีใครเชื้อเชิญมาเมื่อเราจากไปก็ไม่จำเป็นต้องมีใครอนุญาต เรามาคนเดียวอย่างไรเราก็ไปคนเดียวอย่างนั้นหม้อดินที่แตกแล้วประสานให้กลับเป็นดังเดิมไม่ได้ฉันใดคนที่ตายแล้วก็ฉันนั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ใหญ่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกจึงไม่ควรเศร้าโศกทรัพย์สินเงินทองมีคุณค่าเพียงแค่เป็นปัจจัยยังชีพให้เป็นอยู่เท่านั้นแต่ความมีน้ำใจ เป็นสิ่งที่ล้ําค่าสําหรับชีวิตมนุษย์สตรีผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีบุตริดาผู้ซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่สิทธิผู้ซื่อสัตย์ต่ออุปชาอาจารย์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมพระราชามหากษัตริย์ปู่ย่าตายายบิดามารดาเป็นปูชนีญบุคคลที่ควรบูชาศีลตัดทอนผลเพิ่มของกรรมอันเป็นบาปธรรมะ ชำระล้างจิตใจให้สะอาดผุดผ่องจงทำจิตให้มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงแล้วจะบรรลุถึงความเป็นอิสระได้รลิพานที่ถูกต้องมิใช่อัตตามิใชอนาตตาแต่มันเป็นมิติหนึ่งเป็นสภาพของสภาวะนั้นละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายดังนี้เป็นต้น ชีวิตของหลวงพ่อพุทธจบลงแล้วเหลือเพียงตำนานให้กล่าวขานอีกนานเท่าใดไม่อาจทราบได้แต่บทธรรมคำสอนเหล่านี้จะไม่รู้จบจะปรากฏเด่นแก จ, จิตใจบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายต่อไปตลอดอนันตการพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไสยสูตร คนขอทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเหมือนกันหมดนั้นส่องแสดงให้เห็นความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตน่าสลดแต่มองอีกด้านหนึ่งกลับแสดงความกีรังยั่งยืนของธรรมเพราะอาศัยชีวิตเป็นบันไดให้ก้่าวถึง โดยอาสายกรรมและวิบาทที่ดีนำทางเข้าสู่เส้นชัยเป็นคติเตือนใจทั้งในขณะมีชีวิตอยู่และปล่อยวางแต่โดยที่สุดแล้วก็มีความดีปรากฏเด่นให้ชาวโลกได้ดูชมทั้งธรรมและจริยา วันนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระสังวรยาณหลวงพ่อพุทธานิโยเนื่องในวันฐานิยะปูชา8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าผู้จัดทำชีวประวัติและปฏิปทาโดยสังเขปได้ล่วงเกินไปขอหลวงพ่อได้โปรดงด ซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังและตั้งสติให้ดีในการต่อไปด้วยหัวใจ จิตวิญญาณในเรือนร่างแด่สรีระที่โปร่งวางในขันห้าหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพระอุปชัชฌาน้อมวันทากราบกรานด้วยผ่านทามจึงยกใจบูชาหน้าลงศพพระราชสมงวรยานข้าน้อมนบทุกสถาน ประเสริฐแท้ดีจริงมิ่งบริวารสัทธิวิหาริกน้อมน้ำมัสการอโหสิกรรมพระมหาธีรนาธอัคธีโรแปดกุมภาพันธุทธศกศัณฐาช2546